เป็ไงมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่ายังสงสัยไหมสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนในพระอริยสงสาวกหรือไม่สงสัยว่ามีจริงหรือไม่ก่นอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นไปได้เลย ไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความอยากต่างๆเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทําไมเราไม่เป็นทําไมเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ทาไมเรายังมีความอยากอยู่เราไม่ตัดตั้ เรื่องเราตัดมันไม่ได้เรื่องเราไม่ตัดมันเรื่องว่าอย่างคิดว่ามันยังดีอ่บางคนเขบอกว่าถ้าไม่มีความอยากโลกก็ไม่เจริญถ้าไม่อยากสร้างตึกไม่อยากสร้างถนนไม่อยากสร้างอะไรผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาเมื่อวานนี้โลกที่เจริญขึ้นมาก็เพราะความอยากของมนุษย์ อยากสบายอยากสบายก็เลยปลูกบ้านกันสมัยก่อนก็อยู่กระต่อบกันอยู่เรือนหลังคาโุงย่าโุงจากมันไม่ทาวอนฝนมาทีน้ำก็รั่วพายุมาทีก็พังน้ำท่วมก็พังมนุษย์เลย อยากจะอยู่อย่างสบายตอดภัยจากภัยธรรมชาติก็เลยสร้างบ้านที่แน่นหนามั่นคงสร้างอะไรพอไดอ้ได้บ้านแล้วก็อยากจะได้เสื้อผ้าอาหารที่สมบูรณ์มั่งคัง่ง พอมีอาหารมีเสื้อผ้าสมบูรณ์มากางแล้วก็อยากจะหาบันเทิงหาสิ่งที่มาให้ความสุขก็มีพานะพาไปท่องเที่ยวมีรถขึ้นมามีเรือมีเครื่องบินเ่ที่จะได้ไปท่องเที่ยวกัน ทุกคนเห็นว่าการทำตามความอยากนี่มันดีมันให้ความสุขกันเวลามีความอยากแล้วไม่ได้ทำนี่รู้สึกว่ามันทุกข์กันอยากจะไปเที่ยวก็ถ้าไม่ได้เที่ยวก็ไม่สบายใจหยุดเหยิยดตำคาญใจอยากซื้อของใหม่ๆ ซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อของใหม่ๆซื้อรถยนต์พออยากแล้วก็ต้องไปทำตามความอยากเพราะถ้าทำแล้วมันจะมีความสุขพอได้สิ่งที่อยากได้แล้วก็มีความสุขอยากได้กระเป๋าซื้อกระเป๋าได้รองเท้าอยากได้เสื้อผ้า พอได้ซื้อแล้วก็มีความสุขก็เลยไม่รู้จะละความอยากกันทำไมละแล้วมันมีความทุกข์กันคือไม่ทำตามความอยากแล้วมันมีความทุกข์กันก็เลยไม่มีใครอยากจะละความอยากอยากจะละความโลภ ก, กันแล้วทำตามความอยาก ก็ได้อะไรต่างๆมามากมายกาย ก, กองแล้วเป็นยังไง <_ EN> เคยเจอคำว่าพอหรือยังเสื้อผ้าพอใส่หรือยังเสื้อผ้าก็เต็มตู้แล้วล้นตู้แล้วรองเท้าก็เต็มบ้านนะ <_ EN> แล้วเป็นยังไงคาจริงมีเค้ามีข้าวของเยอะแยะมันก็น่าจะ มีคำว่าพอบ้างนะทำไมมันไม่พอกันนะทำไมยังอยากต่อไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวมามากมายแล้วอยากจะดูอะไรก็ได้ดูมามากมายอยากจะฟังอะไรก็ได้ฟังมามากมายอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรก็กินดื่มกระทังร่างกายจะกลายเป็นตุ่ม ก็ยังไม่พอจนกลายเป็นโครคภัยไข้เจ็บเกันขึ้นมาปัจจุบันนี้ก็ว่าคนที่เป็นถือว่าเป็นคนอ้วนนี่มีปริมาณอาาสัด ส, ส่วนเพิ่มมากขึ้นร้อยละสีสส่สิบห้าสิบแล้วที่มีน้ำหนักเกิน ความต้องการของร่างกายเพราะความอยากอยู่ดีกินดีก็เลยทำให้ทำตอบสนองความอยากแต่เราไม่รู้ธรรมชาติของความอยากว่ามันเป็นอันตรายต่อใจของเรามันทำให้ใจเราไม่สบาย เวลาที่เราเกิดความอยากนี่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากเราจะรู้สึกไม่สบายอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรเลยถ้ายังไม่ได้ดื่มนี่มันหงุดหงิดทั้งที่มันไม่จำเป็นจะต้องดื่มไม่ต้องเป็นต้องรับประทานเพราะร่างกายก็ได้อาหารพอเพียงได้น้ำพอเพียงอยู่แล้วแต่ใจมันความอยากมัน มันไม่หยุดความอยากมันมันขยายตัวไปเรื่อยๆอย่างที่โบราณก็พูดไว้ว่าได้คืบก็อยากได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาอยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆสมัยเด็กๆเราได้เงินไปโรงเรียนวลากี่ตังค์ใช้วันละกี่ตังค์ สมัยนี้เราใช้แบบนั้นได้ปะก็ไม่มีอะไรร่างกายก็มีอันเดียวกันเหมือนกันทำไมต้องใช้อะไรสิ่งที่เราใช้นี่มันจำเป็นจะต้องใช้ไหมสิ่งที่จาเป็นก็คืออาหารวันละมื้อสองมื้อก็พอแล้วถ้าจะกินเพื่อร่างกายวันละมื้อสองมื้อมาบวชพระนี่ ที่นี่ก็ฉันวันละมื้อเดียวเขาก็อยู่กันได้ทําไมเราต้องใช้เงินทองกันมากเพราะเราอยากมากอยากกินของจุกจิกกิน น, น, นู่นกิน น, นี่เค้ยวนู่นเค้ยวนี่ดื่มนั่นดื่มนี่ เวาาลามันอยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยากนี้มันไม่สบายใจเลยต้องระงรับความไม่สบายใจความทุกข์ใจด้วยการทําตามความอยากไม่มีใครเห็นโทษของความอยากเลยไม่มีใครคิดจะทําลายความอยากเพราะไม่มีใครรู้ว่าความอยากนี่แหละ เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจไม่มีใครรู้ว่าถ้าไม่มีความอยากแล้วจะมีแต่ความสบายใจจะไม่มีความไม่สบายใจนี่คือคนที่รู้นี่คนแรกก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนสมัยก่อนคนที่เขาบอกว่าโลกนี้ไม่แบนโลกกลม คนนั้นทําไมก็เห็นโลกนี้มันกลมทําไมพวกเราอันนี้เห็นมันว่ามันแบนถ้าไม่มีใครมาบอกว่าเป็นโลกกลมเราคงจะคิดว่ามันโลกแบนอยู่นั่นเพราะมันมันลาบมันมองไปทั้งนั้นก็มันก็แบนมันไม่กลมเพราะเราเป็นคนไม่คิดกันคิดไม่เป็นกันเวลาเราไม่สบายใจ เราไม่ถามตัวเองว่าเราไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราไม่รู้ว่าวิธีทำให้สบายใจนะั้นทำอย่างไรเราทำเราทาผิดวิธีเือเพอเราอยากได้อะไรเราก็ต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้มาเพราะเวลาเราได้สิ่งที่อยากได้มาความไม่สบายใจก็หายไป เราก็สบายใจไปดีใจไปพักหนึ่งได้ของใหม่มาก็ดีใจเดี๋ยววัน2องวันต่อม า, อ, าอยากได้อีกลวไม่สบายใจอีกลวพอไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีความอยากต่อมาเรื่อยๆวันนี้ได้รองเท้าพรุ่งนี้ก็อยากได้กระเป๋เาแล้วมาเลยนี้ก็อยากจะได้ เือผ้าเดี๋ยวก็อยากจะได้มือถือเครื่องใหม่อยากจะได้ทีวีเครื่องใหม่อยากจะได้รถคันใหม่มันมีของอยากไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราต้องไปไปหามาหามาเท่าไหร่ก็ ยังไม่หมดความอยากเสทีตั้งแต่เราเกิดมานี่เราอยากมาตั้งแต่วันเกิดละจนบัด น, นี้ความอยากก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสยังอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขกันยังอยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญสุขเสื่อมกันอยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวไม่อยากให้มันเสื่อม ไม่อยากให้เงินมันน้อยลงไปไม่อยากให้ตำแหน่งมันน้อยลงไปไม่อยากให้ความสรรเสริญเยินยอน้อยลงไป mm hmm. เวลามันน้อยทีใดเสียใจไม่สบายใจทุกทีใช่ไหม mm hmm. เวลาดูเงินทองใอ้ชักจะน้อยลงไปแล้วเริ่มวิตกกังวลขึ้นมานะ mm hmm. ใจของเราก็เลยต้อง ทำตามความอยากอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเราคิดว่าถ้าเราได้ทําตามความอยากแล้วความไม่สบายใจก็หายไปแต่เราไม่รู้ว่ามันหายไปชั่วคราวความไม่สบายใจแล้เดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกใช่ไหมมันไม่อยากเรื่องนี้มันก็อยากเรื่องอื่นถ้ามันอยากกินได้กินแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะดูต่ออยากจะดูอยากจะฟังใช่ไหม คนกินข้าวเสร็จก็ไปดูหนังฟังเพลงกันไนเะข้าบาร์เข้าผับกันต่อร้นานอาหารบางแห่งก็เลยมีทั้งบาร์มีทั้งร้านอาหารติด ก, กันเลยจะได้ไม่ต้องไปไหนไกลกินหารเสร็จก็เข้าบาร์ไปไปฟังเพลงไปร้องรำทําเพลงไปเต้นราเต้นแร้งเต้นกากั น, นเดี๋ยวเสร็จก็อยากจะกลับไปนอนด้วยกันเองมันก็พาเราไป ไเอยพอไปนอนด้วกันเดียวก็เกิดมีลูกขึ้นมาก็ยุ่งอีกเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอีกลูกหลานมันก็อยากอีกก็ต้องหาให้มันอีกเนี่ยพันกันไปมัดกันไปดึงให้ไปหาความความความทุกข์ตลอดเวลาความอยากมัน มันเหมือนเถาวันเหมือนเหมือนไอ้ที่มันเลื้อยไปเนี่ยในป่าเนี่ยมันเลื้อยไปเรื่อยๆจากเก่งนี้ไปเก่งนั้นจากเก่งนั้นมันละเลื้อยไปเรื่อยเ่าวันความอยากเรามันก็ขยายตัวไปเรื่อยเก็มีพูดไว้ว่าความอยากของคนเราเริ่มที่ขั้นต่ำสุดก็คืออยากมีอยากกินอยาก อยากพอมีพอกินไม่อยากอดอยากขาดแค้นคือขอให้มีปัจจัยสี่มีบ้านมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีอาหารมีเครื่องดืง่มนี่คือความอยากพื้นฐานพอมีแล้วทีนี้ก็อยากร่ำอยากรวยแล้วแทนที่จ ะ, ะเป็นคนธรรมดามันไม่สุขแล้ว ถึงแม้จะมีบ้านมีอะไรทุกอย่างพร้อมบริบูรณนะ์ที่ก็อยากจะเป็นคนรวยนะอยากจะมีของฟุ่มเฟือยนะปัจจัยสี่ไม่พอแนละ้วต้องมีปัจ 5, ปจัยห้าปัจจัยหกเดี๋ยวนี้ปัจจัยห้าคือรถยนต์ปัจจัยหกก็คือมือถือปัจจัยเจ็ดก็ตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องเล่น อะไรต่างๆอยากร่ารวยจะได้ไปใช้เอาเงินซื้อของต่างๆตามความอยากจะได้ไปเดินตามห้างห้างที่มีของแปลกหูแปลกตาไปซื้อเพชรไปซื้อทองซื้อสร้อยซื้อกําไรซื้ออะไรต่าง ๆ, ๆได้มาก็ดีใจมีความสุข พอรวยแล้วทีนี้ก็อยากจะมีชื่อเสียงมีเกียรติก็ไปบางคนก็ไปทางการเมืองก็ไปเลือกตั้งกันไปเป็นนายกเทศบาลนายกอบอต อ, อบอจอไปเป็นสสพ อ, อได้เป็นสสก็ไปแย่งกันเป็นรัฐมนตรีแล้วเลย พอได้เป็นรัฐมนตรีก็แย่งกันเป็นนายกเลยเนี่ยมันไปเรื่อยๆพอได้เกียรติแล้วทีนี้ก็อยากจะได้มีอายุยืนยาวนานอยากจะอยู่ไป น, นานานถ้าไม่ตายได้ยิ่งดีอะแต่ถ้าต้องตายก็ทีนี้ก็อยากจะไปสวรรค์แล้วเลยถ้าตายก็ขอให้ไปกข้าไป แต่ไม่รู้ว่าวิธีไปสวรรค์เข้าไปกันยังไงส่วนอย่างส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ไปสวรรค์มักจะไปอบายกันเพราะเวลาที่ทำทำตามความอยากต่างๆหาสิ่งต่างๆที่อยากได้มักจะทำโดวยวิธีไม่ถูกต้องทำโดวยวิธีผิดศีลช่อโกงโกหกหลอกลวง พวกที่ไปหาเสียงนี่โกหกหลอกดวงทั้งนี้มะผมจะทําอย่างนั้นผมจะทําอย่างนี้เราไปถึงก็ไปเอาเงินของพวกเราเนี่ยไปใช้เงินภาษีของพวกเราที่เราเสียภาษีให้เขาไปาทําถนนถนนก็ทําแต่แทนที่จะได้ร้อยอร์ก็เอาแค่ห้าสิบเอร์เซนถนนใช้ได้สองสามปีก็พังละแทนที่จะใช้ได้สัก สิบปียี่สิบปีอสองสามปีพังนะเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าทำาบบ น, นี้ตายไปไม่ได้ไปสวรรค์ตายไปต้องไปอบายเพราะทำบาปไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์เป็นการโกหกหลอกลวงทำแล้วมันก็ต้องไปใช้ผลบาป ไปสวรรค์ไม่ได้คนที่จะไปสวรรค์ได้ต้องไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำบุญเช mm hmm. ่นหาเสียงก็หาเสียงด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่โกหกหลอกลวงแล้วก็ไม่เวลาได้ตำแหน่งก็ไม่ไม่ชอบโกงไม่ขอรับช่น เงินเดือนที่ได้มาก็ใช้ไม่หมดก็เอาไปทำบุญอย่างเงี้ยอะไรเนี้ออยาตายไปได้ไปสวรรค์ mm hmm. คนเราถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนก็จะถูกความอยากมันหลอกให้เราไปทำในสิ่งที่จะทำให้เราต้อง รับเคาะรับกรรมกันต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยพอเราตายไปถ้าเรายังมีความอยากอยู่เราก็จะมาหาร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเรายังต้องเดินทางไปไหนมาไหนยังต้องใช้รถอยู่ พอรถคันเก่าพังไปเราจะทำยังไงเราก็ซื้อใหม่ใช่มมีเงินทองก็ซื้อรถคันใหม่เพราะมันเคยสะดวกสบายกับการมีรถยนต์จะไปไหนมาไหนมันสะดวกสบายพอเรายังอยากไปไหนมาไหนอยู่แต่ถ้าเราไม่อยากไปไหนมาไหนเราอยู่บ้านตลอดเวลาเราก็ไม่รู้จะซื้อรถไปทำไมถ้าไม่ออกไปนอกบ้านเราก็ไม่ต้องมีรถ แต่ถ้ายัางเรายังออกจากเรายังมีความอยากออกนอกบ้านอยู่เราก็ต้องมีรถถ้าเรายังมีความอยากที่จะหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ยังต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เห็นไมีใครสอนแล้วไหมว่าหนูหนูไปหาเงินนะหนูไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่ต้องมีใครสอนเลยใช่ไหม เด็กมันก็ร้องนะเวลามันร้องนี่มันอยากรู้เปล่าอยากกินอยากดื่มนะความอยากนี้ไม่ต้องมีใครสอนการหยุดความอยากนี่ต้องมีคนสอ น, นคนที่มาสอนให้พวกเราหยุดความอยากก็คือพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทดลองดูแล้วว่าพอหยุดความอยากแล้วมันดีกว่าทาตามความอยากพอหยุดความอยากแล้วความอยากมันหายไปมันน้อยลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มันอยากเราก็ไม่ทำตามความอยากอย่าไปคิดว่าไม่ทำตามความอยากเรวตายนะเดี๋ยวจะมาอ้างว่าเอาเดี๋ยวอยากกินข้าวไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวก็ตายกินข้าวแบบไม่อยากก็ได้ เรากินอย่าไปกินแบบอยากกินแบบไม่อยากกินแบบกินยาเงี้ยเวลาเรากินยาเราอยากกินแต่เราก็กินได้ใช่ไหมเราก็กินข้าวแบบกินยาถึงเวลาก็กินถึงเวลาต้องให้ข้าวร่างกายก็ให้มันแต่อย่ากินตามความอยากกินเพื่อเลี้ยงร่างกายไม่ได้กินเพื่อเลี้ยงความอยาก ถ้าเลี้ยงความอยากมันกินหลายผนกินบ่อยกินทั้งวันกินทั้งคืนถ้ากินเพื่อร่างกายนี่มันกินแค่วันละครัง้งสองครั้งก็พอพวกที่ถือศีลแปดนี่เขาก็เช้ากับกลางวันก็พอมื้อเช้ามื้อกลางวันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเขาก็ไม่กินละเขาก็อยู่ได้อยู่ดีกับ ไม่ต้องไปเสียเงินเต้นร่างเต้นกายไปฟิตนกขึ้นเน่ยให้มันเหนื่อยวะเพียงแต่ไม่กินมันก็มันก็ไม่อ้วนแล้วะไปเต้นร่างเต้นกายเสร็จก็หิวว่าไปกินอีก <c oughs> นี่แหละคือพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูน์ว่าการไม่ทําตามความอยากนี้นํามาสร่งความสุข เพราะจะไม่มีอะไรมากดดันเราความอยากนี้มันคอยกดดัน เ, นเราเพออยากอะไรแล้วนี่เราอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องไปทําตามความอยากแล้วเวลาไปทําถ้ามีอะไรมาขัดขวางก็อาจจะต้องทํำลายสิ่งที่ขัดขาดควางเราทําทลายสิ่งที่ขัดขวางเราก็อาจจะต้องไปทําบาต เช่นเวลาจะไปทําอะไรแล้วเงินไม่พอใช้ก็ไปขอคนนั้นขอคนนี้เอาไม่ให้ก็ไปขโมยเงินเขาแทนเพื่อจะได้เอาไปใช้ตามความอยากเพราะเวลามันอยากแล้วมันไม่มีความสุขมันต้องได้ทําตามความอยากแล้วเหมือนหึงจะสุขแต่มันสุขเดียวเดียวสุขพอสุขไปจนกว่าจะมีความอยากใหม่ปกวดขึ้นมา พออยู่เฉยๆสักพักมันก็เบื่ อ, ลนะอแล้วเห็นไหมคราวนี้พอเวลาอยากจะทําอะไรก็ทําพอทําเสร็จแล้วก็เหนื่อยก็อยากจะพักอยู่เฉยๆสักพักพออยู่เฉยๆไปสักพักเดี๋ยวก็เบื่อแลนะ้วอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรนะี่เบืเ่อแล้วก็อยากจะทํานู่นทํานี่ขึ้นมาอนะีกแล้วมันก็จะบังคับให้เราต้องไปหาเงินหาทองเพราะสิ่งที่เราอยากทํานี่มันต้องใช้เงินใช้ทองครับ ไปทำงานก็เบื่ออีใช่ไหมมีใครอยากจะทางานต้องถ้าได้เงินมาด้วไม่ต้องทำงานนี่จะไปทำทาไมนะแต่มันไม่มีการให้เราเราก็ต้องไปทาไปทำงานบางทีก็ไปทำผิดอีกผิดกนหมายบ้างผิดศีลธรรมอหะเอ็กพราะอยากได้เยอะๆได้ง่ายๆได้เร็วๆก็ต้องโกงบ้างโกงตาช่าง นับจำนวนผิดบ้างโหลหนึ่งแทนที่จะสิบสองอันก็เหลือสิบเอดอันบ้างสิบอันบ้างมันก็มีวิธีโกงหลายรูปแบบด้วยกันเนี่ยของสังฆทานที่โยมไปซื้อมาถวายพระนี่ไม่เคยเปิดดูเลยไหมคนซื้อไม่รู้ว่าซื้ออะไรมาให้พระเปิดก็บางที ปลากระป๋องนี่สนิมขึ้นแล้วของไม่มีคุณภาพของใช้ไม่ได้ผ้าก็ผ้าห่มไม่ได้ผ้านุ่งไม่ได้กลายเป็นผ้าเช็ดหน้าเช็ดมือไปผ้าคลีดริ้วไปเพระคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อก็เลย ตัวคนขายนี้เอาราดระเปียบโดยไม่รู้สึกตัวคนซื้อก็ดูแค่เท่าไหร่เท่านั้นเรามีเงินเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นกลับป๋องนี้สองร้อยอ่ะกลับปลองนี้ห้าร้อยมีสองร้อยก็เอกลัปลองนี้แห ล, ละไม่เคยเปิดมาดูแล้วดูว่าของสองร้อยนี่ราคาจริงๆมันชักเท่าไหร่กันหนังสือพิมพ์อัดอยู่ข้างล่างกระดาษทิชชูอยู่ข้างล่างของที่เห็นอยู่ข้างบนก็มีเท่านั้นอ่ะ ของนี่ยก็แปรงไม่มีอะไรหรอกมันโปะหน้าไว้ข้างล่างก็เอาขวดน้าใส่ก็ไปขวดหนึ่งนงังซิพิมพ์ยัดเข้าไปทิชชูอันหนึ่งให้มันให้มันเต็มก็แปรงมันมักจะล้มเพราะมันหนักข้างบนข้างล่างมันเบาของที่อของที่ให้เห็นเนี่ยมันก็มีท่านั้นที่อยู่ข้างบนเน่ะเหมือนของลาดหน้าไว้เงี้ย แต่เราดูก็คิดว่าของเต็มไปหมดใช่ไหมในกระแป้งของล้นขึ้นมาถึงข้างบนแต่ข้างในกระแป้งไม่มีอะไรมีขวดน้ํามีกระดาษที่ชิ้วบางทีก็เอาไม่มีก็เอาหนังสือพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์ยัดเข้าไปวิธีทำมาหากินกคนทําบุญเนี่ยทาขายของทําบุญเนี่ยได้เงินเยอะ เพะคนซื้อไม่รู้นี่ว่าของมันราคาเท่าไหร่จีวรโยมยังไม่รู้ราคาเท่าไหร่เขาว่าเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายไปตามที่เขาว่าเพราะไม่รู้ยังไปถามใครว่ามันราคาเท่าไหร่อย่างเสื้อผ้าโยมใส่นี่ยังไปถามกันได้ว่าตัวเท่าไหร่แต่จีวรของพระนี่เขาว่าเท่าไหร่ก็ต้องมาเท่านั้นแหละอันนี้ก็พูดถึงวิธีที่คนเราต้องทาอะไรต่างๆเพื่อหาเงินทอง เพราะความอยากความอยากมันเลยทําให้คนเราไปทําบาป ก, กันถ้าคนเขาไม่อยากถ้าหรือเขาอยากน้อยเขาอยากเพียงแต่หาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาก็ไม่ต้องทำอาชีพที่มันผิดศีลผิดธรรมขายของก็ขายไปตามความเป็นจริงซื้อมาเท่าไหร่ก็บวกกำไรไปพอสมควร ไม่ค้ากำไรเกินควรเขาก็ไม่ทำบาปได้แต่คนที่โลภมากอยากได้เงินมากอยากร่ำรวยอ ย, อยากซื้อข้าวซื้อของอยากใช้เงินทองมากก็มักจะต้องไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ถูกโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นการทำบาปแล้วมีผลตามมา คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตายแล้วไปเกิดใหม่คนส่วนใหญ่คิดว่าตายแล้วกระจกแม้แต่พวกเราเองถึงแม้จะเชื่อเราก็ยังไม่มั่นใจว่าจริงหรือไม่จริงตายแล้วไปเกิดจริงหรือไม่เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เราไม่มีวิธีที่จะพิสูจน์ก็ถือว่าอย่างน้อยอยังเชื่อเชื่อพระเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่โกหกพระสงค์องค์เจ้าท่านไม่โกหก ก็เชื่อได้เท่านี้แหละแต่ก็ยังเป็นแบบสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นต่อให้พูดยังไงมันก็ยังยังไม่เห็นน่ะนั oh. <laughs> ้นถ้าเกิดใครมาบอกว่าไม่จริงหรอกให้ก็ใจก็เขวไปละแต่เราพิสูจน์ได้แต่เราไม่มีเวลามาพิสูจน์กันนั้นเอง เราต้องใช้เวลาศึกษาใช้เวลาปฏิบัติถึงจะสามารถพิสูจน์คือเราจะได้เห็นตัวที่จะไปเกิดกันตอนนี้เราไม่เห็นตัวที่ไปเกิดกันเราเห็นตัวที่ไม่ไปเกิดเนี่ยเกิดร่างกายนี่มันไม่ไปเกิดแน่ๆมันไปวัดแห่งเดียวหรือมันก็ไปหาสับปเปลืกไปเข้าเตาเผา แล้วเดียวมันก็ออกมากลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปแล้วมันจะไปไหนกันใช่ไหคนที่เห็นเท่านี้ก็ถามว่าเราเนรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนเวียนว่ายตายเกิดใครไปเวียนว่ายตายเกิดไอ้ตัวนี้มันตายไปหมดแล้วเพราะเราเห็นตัวนี้ตัวเดียวแต่ตัวเราเราไม่เห็นตัวที่กำลังพูดอยู่นี่เราไม่เห็นตัวที่กำลังคิดตัวที่กาลังฟังนี่ไม่ใช่ร่างกายนะ ตัวที่พูดนี้กับตัวที่ฟังเพียงแต่ว่าต้องใช้ร่างกายเป็นเป็นสะพานเชื่อมคือคนที่พูดก็คือคนที่คิดเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นผู้พูดคิดแล้วก็สั่งให้พูดมาทางวาจาพอพูดเป็นทางวาจามันก็เป็นเสียงออกมาคนฟังก็มีหูรับ ถึงจะได้ยินถ้าหูถ้าหูหนวกก็ไม่ได้ยินใช่ไถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินเสียงก็สื่อกันไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ก็ต้องอาศัยร่างกายนี้สื่อกันแต่ผู้ที่คิดผู้ที่พูดนี้ผู้ที่ฟังนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงสื่อเหมือนกับเราใช้มือถือติดต่อกันอย่างนี้ ถ้าเรามีมือถือสองเครื่องเราอยู่ที่ไหนเราก็ติดต่อกันได้คนหนึ่งโทรเข้าพอเข้าเครื่องก็รับสายได้ยินเสียงแล้วพอเราพูดกลับมาเขาก็ได้ยินเสียงแต่ตัวมือถือไม่ใช่เป็นตัวเราใช่ไหมไม่ได้เป็นตัวคนคนพูดใช่ไหมไม่ได้เป็นตัวคนฟังอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยเป็นเหมือนมือถือ เหมือนโทรศัพท์มือถือคนที่พูดนี่ไม่ใช่เป็นร่างกายพูดคนที่พูดเข้ามาแล้วออกเสียงมาเนี่ยไม่ใช่ร่างกายร่างกายคิดไม่เป็นไม่มีความคิดร่างกายรับรู้ไม่ได้พอเสียงเข้าไปที่หูมันก็ส่งไปผู้ที่รับรู้อีกทีนผู่้ที่รับรู้ผู้ที่คิดนี่เราเรียกว่าใจ ผูนี้แหละเป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้นี้แหละที่จะไปสวรรค์ไปนรกเราจะเห็นตัวนี้ก็ต่อเมื่อเรามาทําใจให้สงบนั่งสมาธิกันเวลาใจสงบใจมันจะถอนออกจากร่างกายตอนนี้ใจมันส่งกระแสมาที่ร่างกายเหมือนกระแสไฟฉายนะมันส่ง ไหลออกไปจากตัวไฟฉายพอเราปิดไฟปั๊บกระแสมันก็หายมันก็กลับเข้ามาที่ที่ตัวหลอดไฟใจนี่เหมือนตัวหลอดไฟมันส่งกระแสออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายนะเพื่อจะได้รับภาพรับเสียงเนยมันส่งกระแสไปที่ตาเวลาตาเห็นภาพมันก็มันก็จะได้เห็นภาพได้ เวลาเสียงมาเข้ามาที่หูมันมีตัวไปรับเสียงจากหูอีกทีหนึ่งมาที่ใจมีตัวเชื่อมดังสรุปก็คือร่างกายนี้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือส่วนใจก็คือเหมือนคนที่ใช้โทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือพังแต่คนใช้ไม่ได้พังใช่เวลาเสียก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ เดีใช้เครื่องนี้ไปเดี๋ยวพอมันเสียหรือมีเครื่องใหม่ดีกว่าเครื่องเก่ามาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องใหม่เราก็เหมือนกันเนี่ยเราเป็นคนใช้ร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนมือถือพอมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนร่างกายไม่ได้เปลี่ยนได้ก็อย่างมากก็เพียงแต่ไปทําสัญยกรรมไปย้อมผมใหม่อไปทําผมใหม่ไปอะไรใหม่ หรือไปเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ก็เปลี่ยนได้แค่นี้ <c oughs> ถ้าอยากจะเปลี่ยนใหม่เลยนี่ก็ต้องรอให้มันเสียก่อนรอให้ร่างกายนี้ตายก่อนพอร่างกายนี้ตายแล้วเราก็ไปไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ทีเวลาระหว่างทางจอยเปลี่ยนนี่มันถ้ามีทาบาปไวก็ต้องไปใช้หนี้ก่อน ต้องไปแวะไปที่อบายก่อนไปเป็นนกเป็นกาเป็นแมวเป็นหมูก่อนหรือไปเป็นเป็ดก่อนหรือไปตกนรกก่อนนรกก็คือที่มันร้อนร้อนจิตร้อนใจเรียกว่านรกจนกว่าบาปมันจะหมดกําลังเหมือนเชื้อไฟพอเชื้อไฟหมดความร้อนใจก็หมด บาบหมดใจร้อนหมดก็ได้มาหาร่างกายให ม, ม่มารอเข้ารับคิวมีร่างกายที่ไหนก็ไปไปรับมาก็จะได้มือถือเครื่องใหม่จะได้ติดต่อกับมือถือของคนอื่นได้นี่แหละตัวนี้เป็นตัวที่ไปรับบุญรับบาบถ้าไปรับบุญก็เหมือนกับไปเที่ยว เพราะบุญจะทำให้ใจนี้มีความสุขได้เห็นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อะไรต่างๆก็เหมือนไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็มีการต้องเที่ยวก็มีหลายระดับใช่ไหมระดับ VIP ระดับ5้าดาวระดับธรรมดาขึ้นเครื่องก็ยังแบ่งชั้นนั่งอะไรใช่ไหมชั้นธรรมดาชั้นหนึ่งทําทบุญมากก็ไปอยู่ชั้นหนึ่ง แทนที่จะนั่งขดหลังคดหลังแข็งก็มีเตียงนอนเดินทางก็สบายไปอยู่โรงแรมก็โรงแรมห้าดาวมีคนบริการรับใช้ถึงห้องนอนเลยถ้าบุญน้อยหน่อยก็อยู่หนึ่งดาวก็ต้องทําเองไม่มีคนมาคอยรับใช้แต่ก็ยังดีก็ยังได้เที่ยวยังดีกว่าไปใช้กรรมไปติดคุกถ้ไปดานโลกก็เหมือนะไปติดคุก ถ้าอยากตายแล้วอยากจะไปสวรรค์นเนี่ยก็อย่าทำบาปแล้วให้ทำบุญมีเงินเหลือกินเหลือใช้ก็อย่าเอาไปอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปทาตามความอยากเอาเงินไปทำบุญดีกว่าตายไปจะได้ไปท่องเที่ยวที่ดีกว่าท่องเที่ยวในโลกนี้ท่องเที่ยวในโลกนี้เหนื่อยกว่าจะไปเที่ยวได้ต้องไปเตรียมหนังสือเดินทางไปขอวีซ่า ไปฉีดยงุงฉีดยาไปจองโรงแรมไปจองทัวร์จองอะไรวุ่นวายไปหมดเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางก็เหนื่อยแล้วพอถึงโรงแรมก็อยากจะนอน้ะแต่ถ้าไปท่องเที่ยวในในโลกทริปเนี่ยเหมือนตอนที่เรานอนหลับเวลานอนหลับแล้วเราฝันดีสบายไปท่องเที่ยวในโลกทริปนี่สบายกว่าไปท่องเที่ยวในโลกโลกที่เราอยู่นี่ เพียงหลับตาปั๊บมันก็ไปแล้วนอนนอนหลับเนี่ยเวลาเรานอนหลับฝันดีเนี่ยแสดงว่าเรากําลังดูหนังตัวอย่างของบุญที่เราได้ทําไว้กําลังได้ได้ได้สัมผัสผลของบุญ เ, เวลาเราฝันร้ายเนี่ยก็เหมือนกําลังได้สัมผัสกับบาปที่เราได้ทําไว้เนี่ยตัวที่สัมผัสก็คือตัวใจเนี่ย เพราะเวลานอนหลับนี้ร่างกายไม่ได้ทำอะไรแนละ้ใช่ไหมร่างกายก็ปิดตาปิดหูปิดอะไรหมดไม่รับรู้อะไรละตรงที่รับรู้เนี่ยคือตัวใจแหละใจนี่ยังสามารถรับรู้เรื่องที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้โลกของทางร่างกายไม่รับรู้แต่ไปรับรู้โลกทางทางใจโลกทิพย์ถ้าฝันดีก็แสดงว่าเราได้ทำบุญกำลังรับผลบุญ มันจะเป็นเหมือนกับบอกเราให้รู้ว่าเนี่ยแหละคือที่เราจะไปต่อไปเวลาที่เราตายไปแล้วเวลาตายไปนี่เหมือนเรานอนหลับฝันไปถ้าถ้าถ้าทำบาปก็จะฝันร้ายไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตื่นขึ้นมาตื่นก็คือตอนที่มาเกิดใหม่ตอนที่ได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่พอได้ร่างกายปั๊บความฝันต่างๆก็หายไปหมดถ้าเราฝันดี เวลาถ้าเราทำบุญเวลาเรานอนหลับเราก็แล้วเวลาตายแล้วก็วเหมือนเรานอนหลับแล้วเราก็ฝันดีฝันได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้ไปเจอคนนั้นคนนี้ได้ไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไปกินได้ไปดื่มอะไรต่างๆแล้วพอบุญหมดก็พอมาได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่ตื่นขึ้นมาปั๊บความอยากก็มาต่อนะอยากกินอยากดูอยากฟังอยากได้อะไร มันก็ผ่าเราอีกรอบพาเราไปทำไปหาไปทำตามความอยากระหว่างทําตามความอยากก็แล้วแต่นิสัยถ้านิสัยเคยทำตามทำโดยทำตามความอยากโดยการทําบาป ก, ก็จะไปทำตามทำบาตต่อถ้านิสัยเคยทําบุญก็เคยรักษาศีลก็จะไม่ไม่ไปทําบาต เนี่มันก็จะพาเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวที่มาเกิดไม่ใช่ตัวร่างกายคือตัวใจใจมันไม่มีรูปไม่มีร่างมันไม่ต้องมีรูปมีร่างใจแต่มันต้องใช้ร่างกายเพราะมันยังอยากอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยู่แต่ ใจของคนนี้ไม่มีความอยากอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เลยไม่ต้องมีร่างกายเพราะท่านเหมือนกับว่าท่านได้ไปถึงบ้านของท่านแล้วบ้านของท่านนี่เหมือนบ้านที่ติดติดเครื่องปรับอากาศว่เย็นสบายข้างในบ้านมีของทุกอย่างที่ต้องการไม่ขาดเหลือไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการขาดอะไรอยากจะได้อะไรมีหมดคนที่ไปถึงบ้านนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความอยาก คนที่ไม่มีความอยากก็จะมีความพอความพอก็คือพระนิพพานนี้คือความพอเมื่อพอแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่ที่เรามาเกิดเพราะเรายังไม่พอยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากดื่มยังอยากรับประทานยังอยากไปนู่นมานี่ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญ ถ้ามีคนเข้ามาให้เงินเรานี่เราจะรับไหมนะถ้ามีคนมาเสนอว่าอ๋อมีงานนะทำปุ๊บได้สิบล้านยี่สิบล้านนี่เราจะเอาไหมเห็นะให้เราเขาบอกให้ช่วยไปหาที่ซื้อที่ให้เราสักร้อยไร่แล้วจะให้ค่าในหน้ า, างี้แล้วก็ไปแล้วใช่ไหมนะไม่มีใครบอกไม่อยากได้เงินใช่ไห มันฝังมาอยู่ในใจตลอดคนที่ไม่อยากก็คือพระที่มาบวชเนี่ยพระที่มาปฏิบัติธรรมจริงๆท่านไม่อยากได้นะไท่านร้อยล้านท่านก็ไม่เอาไม่รู้จะไปทําอะไรได้มาก็ไปทําบุญเท่านั้ น, น, นนะอย่างหลวงตาท่านที่ท่านผ้าป่าช่วยชาติเน<ม>ี่ยท่านเท่านเก็บไว้สักสตังค์หนึ่งไม่มีก็เข้าคังหลวงคังหลวงเหมือน ทางหลวงก็เป็นเป็นเงินของพวกเราเนี่นที่เรามาใช้พัฒนาประเทศมารักษาประเทศแต่ตัวท่านเองถ้าไม่ต้องการทําลไม่ท่าไม่มีความอยากได้เลยไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยา ก, ยากแกอะไรเนเนี่ยก็มีสองทางเลือกคือทาง ทางของความอยากกับทางของความไม่อยากถ้าทางของความอยากก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยตายไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป ก, กลับมาก็กลับมาอยากเหมือนเดิมกลับมาทำเหมือนอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เคยทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วทำอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาล่องหม่มล่องให้เสียอกเสียใจ เวลาพลาคพาดจากของที่เรารักของที่เราชอบไปมาเครียดกับปัญหาต่างๆมาเครียดกับอุปสรรคต่างๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราตราบใดที่เรายังไม่ได้กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปวิธีที่จะกำจัดความอยากก็ต้องทําใจให้สงบ พอใจสงบแล้วความอยากมันทํางานไม่ได้เหมือนกับรถยนต์เนี่ยถ้ารถยนต์จอดเนี่ยคนจะไปไหนมาไหนมไหนมไน่ได้อยากจะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้ก็ต้องจอดอยู่ยนในรถเหมือนรถติดเห็นไหมเวลาวิ่งไปรถติดจะไปไหนได้ปะอยากจะไปก็ไปไม่ได้แต่รถติดมันอึดอัดทั้งนั้นเนี่ยเพราะความอยากมันทำให้เราอึดอัดแต่เวลาใจสงบเนี่ยความอยากมันหายไปมันไม่อึดอัดมันกลับสบาย เวลาใจสงบนี่มันสบายแต่เวลาไม่สงบนี่มันอึดอัดใช่ไหมเราอึดอัด ก, กันเพราะความอยากพอรถติดนี่มันอึดอัดแล้วมันไม่ได้ไปแล้วมันอยากจะไปแล้วมันไม่ได้ไปนี่มันก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาพอรถวิ่งปั๊บก็หายอึดอัดใช่ไหมวิธีที่จะทำให้ใจเราสบายไม่อึดอัดก็ต้องทำให้ใจสงบใจสงบแล้วความอยากก็ไม่มี นี่แนะคือวิธีกาจัดความความอยากต้องทำจะให้ใจให้สงบอยู่เรื่อยๆตอนตอนก็สงบแบบชั่วคราวพุทโทพุทโทไปหยุดความคิดได้ใจก็สงบแต่พอสักพักหนึ่งกำลังของพุทโทหมดความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใจก็หายหายจากความสงบถ้าอยากจะสงบต่อก็ต้องพุทโทใหม่แต่มันก็ทำให้ความอยากไม่หาย พุทโธนีเพียงแต่กดมันไว้เฉยๆถ้าอยากให้ความอยากหายไปเวลาเกิดความอยากต้องใช้ปัญญาต้องเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนเราว่าการทำตามความอยากมันพาไปสู่ความอยากไม่มีวันสิ้นสุดนะถ้าอยากจะหยุดความอยากนี้ต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นแล้วการทำตามความอยากก็ได้ความทุกข์ได้ความสุขเดียวเดียว แลเดี๋ยวพอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็มาอีกแต่การไม่ทำตามความอยากนี้จะความทุกข์จะหายไปหมดจะเหลือแต่ความสุขอย่างเดียวเราต้องใช้ปัญญาถ้าเรามีปัญญาเห็นโทษของความอยากเห็นว่าความอยากนี้เป็นเหมือนยาพิษที่เราจะไม่ไปแตะต้องมันเลยแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นขนมก็อดไม่ได้เด๋ก็อยากต้องเห็นว่ามันเป็นยาพิษ มันนำไปสู่ความทุกข์พอได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียไปเวลาเสียนั้นเป็นยังไงทุกคนที่ร้องหอบร้องไห้เพราะอะไรเพราะเสียสูญเสียสิ่งที่ได้มาใช่ไหยได้เงินทองมาพอหมดเนื้อหมดตัวก็ร้องหม่มร้องไห้กันได้แฟนมาพอแฟนจากไปก็ร้องหอบร้องไห้กันได้ลูกมาพอลูกจากไปก็ร้องหม่มร้องไห้กันไม่มองกัน คิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขจะมองแต่ด้านเดียวจะมองแต่ด้านได้แต่ด้านเสียมองไม่เห็นไม่ว่าอะไรก็ตามได้มาแล้วต้องเสียทุกอย่างเป็นอย่างนั้นได้มาแล้ววันข้างหน้าจะต้องเสียเสียชา้าเสียเร็วทั้งนี้แม้แต่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียเดี๋ยวเวลาเสียเครียดไมเดี๋ยวเวลาไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งดูดิดูจะรู้สึกยังไง ต้องเป็นทุกคนไม่ไม่มาเ็งก็เบาหวานไม่งกัโรคหัวใจโรคความดันมันต้องมีอะไรสักวันหนึ่งมันต้องเสียร่างกายนี้เราต้องเสียกันแต่เราสามารถเสียได้อย่างไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ไปอยากเรายินยอมเสียเสียก็เสียไปเราต้องหยุดความอยากไม่ยอมเสียเราไม่ยอมเสียใช่ไหมเราถึงทุกข์กันถ้าเรายอมเสียแล้วไม่ทุกข์ อย่างวันนี้ยอมยอมเสียเงินทุกไหมเอาเงินมาให้ในทุกข์มพอละยอมใช่ไหมถ้ายอมแล้วไม่ทุกอะยอมแล้วมีความสุขยนันต้องยอมเสียร่างกายต้องสัตว์สอนใจว่าต่อไปนี้เราต้องยอมเสียร่างกายต้องเสียให้ได้ถ้ายอมได้แล้วเราจะสบายเพราะมันต้องไปต้องเสียแน่ๆเราไปไปฝืนทำไม เปิมันทุกไปเปล่าๆถ้าไม่ยอมมันทุกไปเปล่าๆแต่มันไม่ยอมเพราะกิเลสมันไม่ยอมความอยากมันไม่ยอมจะให้มันยอมต้องทําสมาธิพอทําใจสงบแล้วความอยากความที่ตัวไม่ยอมมันมันถูกมันถูกกดเอาไว้เราก็ยอมได้ยังเวลาจะตายถ้ามันวุ่นวายใจก็พยายามทําสมาธิไปพูดโทไปแล้วมันจะสงบแล้วมันจะไม่วุ่นวายมันจะปล่อย หรืใช้ปัญญาอา้าตายก็ตายวะถึงเวลาแล้วไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปยึดไปหวงมันไว้ทําไมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงค้นพบวิธีกำจัดต้นเหตุของความวุ่นวายใจของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจของปัญหาต่างๆคือความอยากพอไม่มีความอยากแล้วไม่มีปัญหาอยู่เฉยเฉยยังมีปัญหากับใคร อยู่คนเดียวมีมปัญหากับใครปัญหามไปมีตอนที่ไปอยู่กับคนอื่นใช่ไหม e> เพรา ะ, e> ราะอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องไปอยู่กับคนอื่น<_ e> <_ e> พอไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็ทะเลาะ ก, กันแล้วก็แย่งกันแก่งแย่งชิงดีกันแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราอยู่คนเดียวสบายไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่คนเดียวไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่มีอะไร มีความพอแล้วสบายมีความสงบแล้วมันจะพอความอยากมันจะหายไปเวลามาฝึกทำความสงบกันจะสงบได้ก็ต้องมีสติเช่นพุโทโธพุโทโธนี่คือการสร้างสติสติก็คือการไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ใจรู้เฉยๆให้รู้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวพุโทโธนี้ไม่มีพิษไม่มีภยัยเพราะไม่ได้ทำให้เกิดความอยากอะไรขึ้นมา แต่ถ้าไปคิดถึงขนมก็อยากก็้น้ำลายไหลแล้วคิดถึงเพื่อนก็อยากจะไปหาแล้วคิดถึงช้อปปิ้งก็อยากจะไปแล้วอย่างเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ถ้าหยุดแล้วใจก็จะนิ่งสงบความอยากก็จะหายพอหายแล้วใจก็เบาสบายมีความสุขใจก็อิ่มพอขึ้นมาแต่ต้องทำบ่อยๆทำทั้งวันไห้มันสงบทั้งวัน เหมือนฉีดยาสลบให้คนไข้เนี่ยเวลาหมอจะผ่าตัดนี้ก็จะต้องมอีหมอดมยาคอยเฝ้าดูว่าตื่นหรือยังพอตื่นก็เอาเอาเข้าไปอกีกเอายาใส่เข้าไปอกีกเพระยังผ่าไม่เสร็จถ้าตื่นขึ้นมาเดี๋ยวดิ้นผ่าไม่ได้ก็ต้องมีหมอดมยาคอยสังเกตดูว่ามีอาการรู้สึกตัวหรือยังพอเริ่มรู้สึกตัวก็ต้องเติมยาเข้าไป ใจของเราก็เหมือนกันพอมันม่พอมันหายสงบแล้วก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ละต้องพุทโธพุทโธต้องเข้าไปใหม่นั่งสมาธิให้มันสงบอยู่เรื่อยๆขั้นต้นขั้นที่สองก็ถ้ามันจะโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาฟันมันเลยตัวที่จะโผล่ขึ้นมาคือความอยากพอฟันมันปั๊บมันก็จะกลับไปสงบใหม่ถ้าไปทำตามมันมันก็จะวุ่นเลย พออยากได้ล้วไปทาตามมันไปช้อปปิ้งก็วุ่นละไปอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวหาเงินหาทองไปละไปวุ่นตลอดเวลาแต่ถ้าตัดว่าไม่อยากไปไม่ไปได้ปั๊บมันก็อยู่บ้านเฉยๆได้มันก็สบายแล้วนะต้องใช้ปัญญาถ้าจะตัดความอยากอย่างท้าวรแต่ยังใช้แต่ยังใช้ไม่เป็นก็ใช้สติแต่ก่อนมันง่ายพุโทโธคําเดียวปัญญาต้องสอนใจว่าเป็นทุกขนะ์เนี่ย ทำอะไรแล้วทําตามความอยากเริเป็นทุกข์อยู่คนเดียวสบายกว่าพออยู่กับใครแล้วเดี๋ยวต้องมีเรื่องกันแต่เราไม่คิดอย่างนั้นเราไปคิดโอ้ดีใจได้อยู่กับเพื่อนได้เจอคนนั้นคนนี้เวลาคนอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาว้าเย่เล้วเกินแต่พอไปเจอกันไม่กี่วันก็เบื่อแลนะ้วเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันแล้่ะ น, นี่คือปัญญาเราต้องใช้เอามาตัดความอยากต้องเห็นโทษของความอยาก อยากไปทำตามความอยากอยากลาอยากในราบยศสรรเสริญสุขอยากทำบุญนี้ไม่เป็นไรใช้ได้อยากนั่งสมาธิได้อยากไปอยู่คนเดียวได้อยากอยากเลิกความอยากได้เป็นความอยากที่ดีความอยากที่ไม่ดีก็คืออยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากเจริญในราบยศสรรเสริญเนี่ยไม่ดีเพราะมันจะนำไปสู่ความผิดหวัง เพราะมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดของเหล่านี้ได้มาแล้วมันก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดต้องมีวันจากกันนะขอให้เราเห็นโทษของความอยากแล้วปยาตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะต่อสู้กับความอยากถ้าเราไม่ตั้งเป้ามันก็จะไม่ทำนาทีพออยากวุบก็ไปเลยพออยากลืมก็ไปเปิดตู้เย็นเลยพออยากจะกินก็ไปเปิดตู้เลย ต่อไนจะกินก็ได้จะเดื่มก็ได้แต่ให้มันมีเวลาดื่มให้มันเป็นเวลากินให้มันเป็นเวลาให้มีเหตุมีผลดื่มเพื่อรักษาร่างกายกินเพื่อรักษาร่างกายอย่าไปดื่มไปกินตามความอยากซู่มานั่งสมาธิดีกว่าเวลาอยากจะดื่มอยากกินขนมก็มานั่งสมาธิความอยากมันก็จะหายไปต่อไปก็จะไม่อยากกินขนมไม่อยากจะดื่มเครื่องดื่มอะไร นั่งสมาธิมีประโยชน์กว่าได้ความสุขกว่าเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรก็จะอนุโมทนาให้พรใครจะอยู่ใครจะไปก็ได้นะเรายังอยู่ต่อเรายังมีกรรมยังไม่หมดกรรมต้องอยู่ตอบปัญหาของคนทางบ้านต่อ คนที่นี่ไม่มีใครถามอะไรใช่ไหมไม่มีคถามถามมาสมัยก่อนแต่ก่อนหน้านี้ครับเวลาผมบริกรรมก็คือจะหายใจเข้าก็จะคูดหายใจออกก็จะโทก็สงบดีครับแต่ช่วงหลังเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนให้ใช้คาบริกรรมอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องไปกาะกับลมหายใจนะครับแล้วพอไปเปลี่ยนปรุงเนี่ยตอนนี้มันเริ่มตีกันในหัวอาจารย์บางทีเวลาเราจะเน้นุโทเนี่ย มันจะมาห่วงว่าจะไม่หายใจครับออพอหลังๆก็เลยพยายามจะหาวิธีที่จะทำให้เองมีสติมากที่สุดก็มาเจอวิธีคือหายใจเข้าพูทธหายใจออกโทแต่เรามีหนึ่งตามไปด้วยสองตามไปด้วยจะได้ดึงใจเราให้มันอยู่ในทางออพอดีผมกลัวว่าเนื่องจากมันตีกันในหัวเยอะครับเลยกลัวว่าจะไปผิดทางแล้วจะมาเปียนอีกทีจะจะยากครับก็เลยจะให้พระอาจารย์ช่วยแนะน ดังนั้นทำไงก็คุณปฏิบัติคุณก็ต้องทดลองด้วยเองนี่ครับวิธีไหนมันถูกกับคุณคุณก็ทําไปวิธีไหนได้ผลก็ทําไปแต่ถ้าเกิดว่าแต่มันก็เป็นอย่างในหนึ่งในสามวิธีนี้ถ้าวิธีไหนทําได้ก็เป็นนี่พุทโธอย่างเดียวก็ได้ลมอย่างเดียวก็ได้จะผสมกันก็ได้ะก็มีแค่นั้นะหรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้อาการสามสิบสองกระท่ององการสามสิบสองไป ผมกนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปอานุโลมไปปฏิโลมากลับไปกลับมาเนี่ยมันมีต้องสี่สิบวิธีกรรมฐานสี่สิบแล้วแต่ว่าจะถนัดวิธีไหนก็เอาวิธีนั้นอันนี้บอกไม่ได้คนถนัดมือขวาคนถนัดมือซ้ายจะบอกให้ต้องใช้มือขวาทุกคนมันได้นะใครถนัดมือขวาก็ใช้มือขวาไปสิใครถนัดมือซ้ายก็ใช้มือซ้าย ใครถนัดทั้งสองมือก็ใช้ทั้งสองเือมันก็มีเท่านั้นนหะขอให้วัดที่ผลก็แล้วกันวัดที่ความถนัดใช่ไหมเราถนัดเราทําแล้วได้ผลอย่างไรล้วก็เอาอย่างนั้นไปรถนีนเวลานั่งยังมีมีที่ปรับเบาะรถเลยใช่ไหมคนขับแต่ละคนนี่ก็นั่งไม่เหมือนกันใช่ไหมขาสัน้นขายาวมันก็ต้องปรับไปตามขนาดของคนขับคนภาวนาก็เหมือนกัน ถนัดอะไรก็ใช้แบบนั้นไปไม่ใช่คนนี้ถนัดแบบนี้แล้วก็ทุกคนจะต้องถนัดเหมือนกันหมดไม่ใช่เหมบางบางทีจะมีความสงสัยครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนอย่างวิธีที่เราหาจเจอเราอาจจะมีสติดีแต่ว่าเวลาเราดูคุยบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็จะเน้นคำบริกรรมเป็นหลักอย่างนี้ครับเราก็เลยพยายามอาจจะมีความอยากจะเปลี่ยนตามแต่ว่าเปลี่ยนตอนนี้กลายเป็นหลงทางไปบางปี อนใหม่ๆมันอาจจะตีกันก็ได้ทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เลือกตีกันได้ตอนนี้เวลาปรับมันคุณเคยใช้มือขวาพอคุณมาใช้มือซ้ายคุณก็จะรู้สึกว่ามันขัดๆยังไงแต่ถ้าคุณฝืนพยายามใช้ไปเรื่อยๆสักพักเดียวมันก็ชานานขึ้นมาเองมันอยู่ที่ความชํานาญเวลาเปลี่ยนมันก็ต้องมีการรู้สึกแปลกๆไปเพราะมันเคยชินกับแบบเดิมอยู่คุณลองเปลี่ยน วิธีเซ็นชื่อคุณดูสิคุณเคยเซ็นเงนะี้ยแล้วลองเปลี่ยนใหม่ดูยอยากจะปลอมลายเซ็นของคนอื่นลองลองเปลี่ยน้องคนเคยเขียนตัวกอไก่อะไรคุณลองมาหัดเปลี่ยนใหม่ดูเลยเปลี่ยนได้แต่ก็ต้องใช้เวลาบังคับมันเวลาบังคับมันก็ยังจะกลับไปแบบเดิมอยู่ใช่ไหมเราเคยอยู่กับแบบเดิมมันก็มันจะกลับไปแบบเดิมมันเป็นนิสัยอะ แต่ถ้ามันไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้ถ้าคุณนั่งแล้วสงบวิทเทดิมก็ทำไปก็ได้ก็ไม่มีใครห้าม medium. แล้วแต่ตั้วแต่าคะทเข้าที่แล้วที่เคยมาหาค่ะที่เคยถามบอกว่าจะได้ของคืนไหมไม่ได้ของคืนจริงๆช่วยกำหนดให้ได้ของไม่ใช่ของเรามไ ม, ม่นไม่ได้คืนอ่ะ ไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยอย่าไปหวังคืนเลย อ, อ่ไม่เป็นไรปล่อยก็เบียดไปออเออไว้ไว้มันมันกไดของมันจะมันจะมามันมาเองถ้าไม่มาก็อย่าไปรอมันเลยนะหาใหม่ดีกว่ามี่ของใหม่รอเราอยู่เยอะแยะ ของที่ไปแล้วก็เหมือนของที่ถูกขกโมยไปก็แล้วกันมีคำถามเข้ามาเยอะไหมหนูเยอะอยูอ่ค yeah, yeah. ่ะเยอะๆยอตอนนี้เข้ามากี่คนแล้วตอนนี้สองร้อยแปสิบแดแล้วทาง y o u t u b ลยห้าสิบหกักอดีวันนี้มีเด็กพิกา ร, รเขาจะเข้ามาหา อาจารย์ พ, พอสนะมกับก่อยมาปฏิบัติอย่ข้างบ น, นเราไปถามพระก็ได้ไปข อ, ข, อขออนุญาตจากพระก็ได้คระอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียนถามเรื่องการปฏิบัติพอเราปฏิบัติอะไรวันหนึ่งก็จะเริ่มอยากไปลยนวิเวกมามาโชติทางก็ได้คือไม่อยากไปไหนก็ใครแสดงว่ า, ามันชอบความสงบละมันเบื่อรูปเสียงกลิ่นรสมันเห็นว่ามันเป็นทุกมากกว่าเป็นสุก <c oughs> แล้วคุณที่นักภาอยู่ๆมันก็บอกคือมันลิ้งมากในเย็นแล้วมันก็อยู่ๆก็มีคําพูดมาว่าจิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่ตัวตว น, นก็คือไม่ใช่กายเป็นดินน้าเป็นไฟอัีเข้าใจถูกไหมใช่ไหมออใช่จิตเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นดินน้นําลมไฟเหมือนเหมือนศาลาหลังนี้เป็นดินน้นําลมไฟมันไม่มีความรู้สึกรับรู้อะไร ปฏิบัตสมาธิได้สุดใจมันวอกแวกยังไงก็ไม่มีก็ยังไม่มีสติพอไงยังไม่สงบก็พยายามใส่อัดพุทโธก็ไปเรื่อยๆเวลามันวอกแวกก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะหายวอกแวกนะถ้าพุทโธอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันหายเหมือนรถนอะถ้ามันยังไหลอยู่ก็เหยียบเบรกไปเรื่อยๆเหยียบไปจนกว่ามันจะหยุดถ้ายังไม่หยุดอย่าไปเบรก พุทโธนี่เหมือนเบรกถ้าใจมันยังวอกแวกมันยังมันยังดิ้นอยู่ก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดพุทโธมันไม่ใช่แค่ห้านาทีสิบนาทีนะมันอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงลราสู้มันให้ได้ถ้าหยุดมันได้ครั้งต่อไปมันจะหยุดได้ง่ายถ้าไม่หยุดมันก็จะไม่หยุดเรยเวลาต้องการให้มันหยุดนี่เราต้องพุทโธอย่างเดียวเลยอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งหมด ให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวอีนี้เวลาระหว่างวันเนี่ยเรามีการทํางานอย่างอื่นอย่างเงี้ยเราก็หยุดพุทโธไปไปดูการทางานของเราเพราะเราว่างจากดวงดวกลับมาพุทโธก็ได้ตั้งแต่ตื่นใช่ไหมใช่ไหมถ้ามันเริ่มถ้ามันเริ่มไปคิดเรื่องไร้สาระเรื่องต่างๆก็หยุดมันแต่ถ้าต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดก็คิดได้ให้มีสติอยู่กับความคิดนั้นแต่ถ้าไม่คิดได้ยิ่งดี ต่อไปจะเห็นว่าการทำงานก็เป็นอุปสรรคต่อการทำความสงบเพราะมันยังต้องใช้ความคิดอยู่แต่ถ้ายังจะเป็นก็ต้องก็ต้องแบ่งแบ่งไปแบ่งให้กับงานไปพอไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดเรื่องงานก็หยุดคิดแล้วพอมันได้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวมันก็เลิกทำงานเองมันจะได้ทาใจให้สงบได้ตลอดเวลาเพราะเวลาสงบนี่มันสบายอ่า พอไม่สงบมันก็วุ่นขึ้นมาความทุกข์ส่วนใหญ่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่เหยียดไม่ได้อยู่ที่เงินทองอยู่ที่เข้าของแต่ของหายไปถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรพอไปคิดถึงมันอยากได้คืนมันก็วุ่นขึ้นมาในใจความวุ่นไม่ได้เกิดจากเข้าของที่หายไปความวุ่นเกิดจากใจที่อยากจะให้มันกลับมานะพอพูดโทรพูดโถ่ไปพอมันลืมเรื่องเรื่องของไปมันก็หายวุ่น ความอยากก็หายไปมันก็หายวุ่นไปพรามันปล่อยมันก็ปล่อยอ่ามันก็ฐานนั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เวลามันยึดมันติดนี่หมามันอยากจะได้คืนออันตรมาแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ไปทำอะไรได้คืนมาก็วางไว้เฉยๆนี่แหละเห็นไหมพระอาจาร์จะขออนุ ญ, ญาตจะพอดีตอนนี้ปฏิบัติธรรมกับลูกศิษย์ของคุณแม่จันเดีเยร์ค่ะอยู่ที่แถววังน้ำเขียว อันนี <mister ius> ้เขได้เอาหนังส <t ôi> ือของพระอาจารย์สุชาติไปวางไว้ที่สถานปฏิบัติธรรมนะก็อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราเขาจะให้วางก็ว่างวางจ่งให้วางค่ะแล้วก็ให้วางก็เป็นที่ของเขาต้องไปขออนุญาตเขาไม่ได้หนังสือเราเราให้ไปเราแจกหมดแล้วใครจะไปทําอะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวคนีเขาจะคิดว่าสั่งให้ไปเอาไปแจกที่นู่นแจกที่นี่เราไม่สั่งใครทั้งนั้นแต่ครูบาอาจารย์ท่านท่านก็จะ ถ้าหลวงตาพูดคำเดียวคนก็รู้จักทั่วประเทศแล้วแต่เราไม่เคยเจอใครเลยเราก็มาอยู่ตรงนี้พระสงฆ์เจ้าที่เขารู้จักเราแล้วไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักเพราะหลวงตาพูดถึงแล้วตั้งแต่จากวาดป่ามันตามาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ของเราคนเดียวเงี้ยเงี้ยของเราไป ไม่เดินไปเกี่ยวข้องกับใครเราไม่เคยคิดว่าอยากจะเกี่ยวข้องแต่วิบากมันทำให้ต้องมาเกี่ยวข้องเองเ น, <far> <c oughs> นี่กัเด็กพิการก็มาเกี่ยวข้องเพราะว่าได้ได้ช่วยเขาก็อยากจะได้โรงเรียนให้เด็กคนพิการก็เลยมาขอให้เราช่วยเราก็เลยก็เลย ได้รับรับไปแล้วก็มีคนที่เขารับรู้เขาเขาก็เลยมามารับช่วงรับสนับสนุนไปในพวงนี้เขาไม่ไม่มีโรงเรียนเรียนคือโรงเรียนสำหรัเด็กพิการนี่มันมีเป็นเป็ น, ปนภาคภาคภาคแลไม่กี่โรงเรียนอย่างภาคตะวันออกนี่ไม่มีโรงเรียนเด็กพิการที่เรียนตั้งแต่ปหนึ่งถึงมหกนี่ไม่มีเขาก็เลย อยากจะได้เขาก็เลยมามาบอกขอให้ช่วยด้วยใดก็ไม่มีปัญญาแล้วเราก็บอกว่าก็จะลองดูถ้ามีใครใจบุญญาโยมที่มาทำบุญก็จะถามเขาดูบอกเขาดูเพราะก็ต้องรัดต้องการที่มากอย่างน้อยต้อง 20, 25่าไร่แล้วสร้างตั้งแต่ปหนึ่งถึงมหเพื่อที่ให้เด็กพิการจะได้ช่วยตัวเองได้ โ ต, ตแล้วจะได้มีอาีพไม่ต้องพึ่งพาสายครอบครัวทางบ้านครั น, นี้ก็จะมาก็มีคนที่มีจิตศรัทธามีกำลังเขาก็รับไปทำเขาก็เลยอยากจะพาเด็กให้มาหาเราแล้วก็จะจับเราไปติดอยู่กับข้าต่อย จะจะมาตั้งให้เป็นคณะกรรมการอะไรขึ้นมาโอ้ปวดหัวก็ไม่รู้จะทงไงเมื่อเขามาเราก็เป็นเป็นสื่อกลางล้วตัวเองไม่มีปัญญาหรอกก็มีแต่ได้แต่พูดแต่พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนออกไปทางทางทางโ่วโลกเดี๋ยวเขาก็ยืนเือเข้ามากันแล้ว เดี๋ยวคงจะต้องลงไปหาเขาแล้วเพราะว่าเขาขึ้นมาไม่ได้เจ้ากล้องตามไปหรือเปล่าเจากล้องตามไปตามได้ยังไงแล้วแต่ดีแล้วจะได้ออกไปนี้ด้วยเพื่อลูกสำหรับญาตยโยมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีไหมนอันนี้ก็ได้ทําพอสมควรแล้วคาถามทั้งบ้านเดี๋ยวอาจจะกลับมาต่อก็ได้ถ้ายังเวลายังไม่หมดเดี๋ยวลองไป ไปไปไปคุยเท่าไหนไปม